260. อทสัฏนะอุกเขปนิยกรรมวิวาทะกะถาว่าด้วยความขัดแย้งในอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ437ภิกษุทั้งหลายนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัต ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัตเอาละพวกเราจะลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงอุกเขปนิยกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงอุกเขป็นนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงอุกเขปนนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูปลงอุกเขป็นนิยกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยทำปฏิรูปลง อ, อกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นสง์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวแย้งว่ากรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบธรรมกรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรม กรรมแบ่งพวกโดยทมปฏิรูปกรรมพร้อมเพรียงกันโดยทมปฏิรูปกรรมไม่เป็นอันรมกรรมทำไม่ดีต้องทำใหม่บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมพร้อมเพรียงกันโดยทมปฏิรูปและพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมไม่เป็นอันทำ กรรมทำไม่ดีต้องทำใหม่จัดเป็นฝ่ายธรรมวาทีในที่ประชุมนั้น